ท่านฟังค่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนิษฐานาค่ะช่วงนี้ท่านจะได้พบกับพระอาจารย์ไผ่บุญอภิปุณโนวัดป่าดอนายโศกรุดรนทานีนะคะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวั จ, จนะค่ะนวัศกรารคะทั้งคะอาจรย์ปอค่ะพูดถึงเรื่องขันห้าเนี่ยถ้าในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สึกพูดบ่อยนะคะใช่เพราะว่าขันห้านี่เป็ น, เ ป, นเป็นโลกทั้งหมดคือขันห้านั่นเอง เรือ่ออะไรก็คือขันห้าเท่านั้นโลกทั้งหมดคือขันห้าใช่หมายความว่าอมายความว่า<อ>ที่เราตืน่นมาเนี่ยเห็นเลยก่อนอา้านี่ก็รูปอ้าวเรามีความรู้สึก อ, อันนี้ก็วิญ ญ, ญาณเนี่ยเราคิดนึกต่างๆอ้าวเดี๋ยวมีความรู้สึกชอบไม่ชอบอันนีก้ก็เวทนานี่คืออยู่วนเวียนอยู่ในขันห้าเท่านั้นเองไม่มีออกไปจากขันห้าได้เลยนอกจากขันห้าแล้วอย่างอื่นมีไหมคะที่เปรียบเสมือนกับว่าเป็นโลกแบบขันห้าค่ะ ไม่มีทุกอย่างอยู่ในระบบขันห้าหมดพระเจ้าบัญญัติธรรมะก็เพื่อขันห้าค่ะต้องาการละก็คือรละขันห้าตรงนี้เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยขันห้าเป็นเรื่องเฉพาะโลกสมมุติแบบเราหรือว่าเลยพ้นไปถึงโลกที่เราอยากไปคือวิมุติ ด, ด้วยคะปัญหาตรงนี้ก็คือว่าอประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงขันห้าประเด็นมันอยู่ที่ตรงความยึดมั่นถือมั่นในขันต่างห้า มีอุดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นปัญหาค่ะอความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัญหาอต่เป็นทุกข์ค่ะอย่างกับในวันนี้เนี่ยตอนที่ท่านมาร์คได้อ่านพระสูตรไปใช่ไหมคะพูดถึงว่าในขันห้าเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยฟังแล้วตกใจเลยนะคะหามาแทบตายทํำไมอยู่ดีๆมาฟังอย่างนี้บอกว่ารูปก็ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นอย่างเราค่ะใช่ทำไมที่ตรงเนี้ย เอ่อเออเราจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอย่างเช่นว่าคนโทรศัพท์รุ่นใหม่ของเราล่าสุดหายยกตัวอย่างเช่น p h o n e หรือแบงก์เบกันแล้วแต่ <Okay. S 2> สมมติโทรศัพท์ของเราหายกับโทรศัพท์ของเพื่อนหายนะโทรศัพท์ของเพื่อนหายของเรายัางอยู่เนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าอะไรทั้งทงที่เหมือนกันเป๊ะเลยรุ่นเดียวกันซี r i a l n น m b เ r ถัดกันอันเดียวถามว่าเราทาไมของเพื่อนหาย เราไม่รู้สึกอะไรแต่ของเราหายกับรู้สึกจี๊รู้สึกไม่พอใจทางทที่ฮาร์ดแวร์อะไรลูกเล่าต่างๆเหมือนกันเป๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นไม่มีในโทรศัพท์ของเพื่อนถ้าจันยกตัวอย่างได้ทําให้ดิฉันเน่ชะงักเลยนะคะฮะเพราะว่าโทรศัพท์เพิ่งหายค่ะไม่ยอมถือโทรศัพท์เพิ่งหายเนาะค่ะเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นมีในโทรศัพท์ อันนี้ของเราคใช่ไหมเพราะฉะนั้นพทธเจ้าเลยบอกว่างั้นต้องละอุปทานในขันธ์ห้าอุปทานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ของอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตส mm hmm. ังเกตง่ายๆโทรศัพท์เหมือนกันของคนอื่นกับของเราเอาทําไมของคนอื่นเราไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่มีอุปทานอุปทานอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราเพราะฉนั้นพทะเจ้าเลยบอกว่าละเสียดีกว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสีย mm hmm. ละอะไรตาไม่ใช่ของเธอละตาละรูปละละ ตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจละรูปเวทธนาสัญญาสังขารวิญญาเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ที่จิตถามว่าถ้าเราละความยึดมั่นถือมั่นที่อยู่ในจิตนะปัญหาคืออยู่ในจิตละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆรอบนอกทั้งหมดความเป็นทุกข์ของเราจะลดลงหายไปเลยหมดทุกข์ค่ะอืมเพราะฉะนั้นเลยให้ละตรงนี้นี่คือละอุปท า, านขัน อันนี้เรียกว่าเป็นอุปทานคันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องเพราะว่าถ้าเรายึดแล้วเนี่ยจะเกิดความทุกข์อย่างโทรศัพท์ของเรา <c oughs> ไม่ใช่โทรศัพท์ของคนอื่นอย่างนี้หรือต้นแหมก็พยายามอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆทำมันก็ทําใจลําบากอยู่เหมือนกันประเด็นคือว่าคนเขาจะละได้อย่างไราถามว่าคนสักคนใดคนหนึ่งจะมีความปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยด้วยเหตุอะไรนั่นน่ะสิค่ะด้วยความ เบื่ออะด้วยความคลายกําหนัดความคลายกําหนัดเนี่ยมันจะเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุค <studying. S 3> สิ่งที่เป็นเหตุของความคลายกำหนัดก็คือก็คือสิ่งที่เรียกว่าอความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่านิพิทาพอเบื่อหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดพอคลายกําหนัดแล้วจะปล่อยวางก่อนที่จะปล่อยวางได้ต้องต้องคลายกําหนัดก่อนก่อนที่จะคลายกำหนัดได้ต้องเบื่อหน่ายก่อน จะเบื่อหน่ายได้จะต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนจะเห็นตามที่เป็นจริงได้จิตจะต้องเป็นสมาธิก่อนพอจิตเป็นสมาธิแล้วสองเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงได้ก็จะมีความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดได้คลายกําหนัดได้ก็ปล่อยวางปล่อยวางจากอะไรปล่อยวางจากความยึดนไงยึดว่าอันนี้ของเราพุทธเจ้าเปรียบเทียบง่ายมากเหมือนกับว่าถ้าคนขนเขาขนเอาใบไม้หญ้าไม้กิ่งไม้ เนียไปเผาไปทิ้งเนี่ยเธอจะรู้สึกอะไรไหมอ้าวไม่รู้สึกอะไรนั่นไม่ใช่ของเราแต่ถ้าคนเขาขนเอาญาติเธอพ่อเธอแม่เธอไปเผานี่เธอจะรู้สึกอะไรไหมอ้าไม่ได้นี้เป็นญาติของเราเพราะว่าเรามีความยึดอยู่เพราะนั้นพระพุทธจ้าเลยบอกว่าเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเธอที่เจริญสมาธิแล้วจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงเดี๋ยวมาจงหลีกเล่นเถิดหลีกเล่นแล้วจะรู้ได้ตามที่เป็นจริง พอหีเรเจริญสมาธิก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงทีนี้พอเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเนี่ยมันไม่เหมือนกับเบื่อเบื่อเขาเรียกเบื่ออะไรเบื่อภาษาอังกฤษว่า boring อย่างเงี้ยนะค่ะครับเบื่อเซ็งอะเบื่อเซ็งมันไม่เบื่อหน่ายไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งเบื่อหน่ายเนี่ยก็คือเราเห็นตามที่เป็นจริงอาศัยเหตุที่ว่าเราเห็นตามที่เป็นจริงเราจะเบื่อหน่ายแต่เบื่อเซ็งเนี่ย อาศัยเหตุที่ว่าเราอยากในกามเราจึงเบือ่อเอาไปทำนี้ไม่เอาละเบื่อเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเบือ่อนายคือเป็นการที่ไม่เบื่อเพราะมีปัญญาไปประกอบอย่างนี้ใช่ป่ะคะตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแต่ว่าเบือเบ่อเบื่อเสงเพราะว่ามีความอยากในสิ่งอื่นเบื่อสิ่งนี้ลนะอยากสิ่งอื่นก็จึงเบื่อเสงอันนี้เหตุคนละอย่างผลก็คนละอย่างสิ่งที่ได้ก็คนละอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็น เป็นเขาเรียกว่าอาการของธรรมะในผิดเราถ้าเราเบื่อหน่ายมีนิพพทาภาษาบาลีว่านิพพทาความเบื่อหน่ายก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าใจให้ได้ไกล้ครวนให้ได้ว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นความไม่เที่ยงเป็นความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเรางั้นใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงอือค่ะเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะจะเกิดอะไรขึ้น พูดทั้งหลายรอบเห็นตาที่เป็นสิ่งก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็จะใครกําหนดใครกําหนดก็ปล่อยวางได้ทีนี้คนจะมาเห็นว่าโอ้ันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยคุณก็ต้องเจริญสมาธิก่อนสิใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับพูดง่ายๆนะคะท่านอาจารย์คะแต่การที่จะทําให้เราเนี่ยคลายหรือว่าเบื่อหน่ายแล้วก็วางในสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่ามันเป็นเราเนี่ยอ อ, อ, อมันต้องใช้ ความพยายาม <พ Il. S 1> ฝึกฝนใช่ค่ะคระพุทเจ้าเลยบอกว่าเธอทั้งหลายจงทําการศึกษาฝึกหัดโดยหลักว่าเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปงวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าหาย ใ, ใจออกทําการศึกษาฝึกหัดโดยหลักว่าเห็นตามเห็นสิ่งทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกอันนี้อยู่ในอนาปานสติสูตรแล้วก็ เป็นเรื่องประหลาดอีกเหมือนกันนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าวางยากแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนกับง่ายๆใช่ถ้าสิเป็นสมาธิเนี่ยฟังธรรมะมันฟังได้เข้าใจง่ายแล้วแล้วการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอ่ตัณหาเมื่อจะอยู่ในสิ่งใดเนี่ยเมื่อจะละได้ย่อมละได้ในสิ่งไหนเมื่อจ ะ, อะคลายได้เนี่ยจะคลายได้ในสิ่งไหนก็คลายได้ที่ตา ที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจโอ้ oh, เลยมาถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันเองอ่านพุทธวจนะอยู่บทหนึ่งนะคะในหนะังสือคราวาชั้นเลิศที่พูดถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเนี่ยคะ่ะ uh huh. เมื่ออ่านไปก็มีความรู้สึกแม้ต้องการคำอธิบาย uh huh. คะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดมีความรักเป็นที่มายินดีในโลกเนี่ยัหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้น แต่มื่จะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะดับปัญหาได้ก็ต้องดับที่ตรงนั้นพวกพวก่า ม, มีมีคนมีความคิดบางอย่างในในฐานะของพวกมิชาชิติเพราะงั้นก็ฆ่าตัวตายเลยสิตาหูจมูกลิ้นกายใจดับแน่นอนค่ะถูกไหมอันนี้ไม่ถูกทำเพราะว่าเป็นการทําปานอธิบาย<ะ>พระพุทธเจ้าเลยให้จัดการที่จิตค่ะจัดการที่จิตตรงไหนตรงปัญหาที่อยู่ในจิต<ะ>เห็นไหมเห็นไหมปัญหาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่า ละมันติดอยู่กับจิตตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อจะละได้ย่อมละได้ที่ตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนั่นแหละเพราะว่าท่านเธอละแล้วสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพูดถึงเห็นคนที่ค่าตัวตายเนี่ยจริงๆชีวิตทุกชีวิตมีค่าหมดมีค่าแต่าบางชีวิตเนี่ยทาให้เรารู้สึกสลดใจและเราเสียดายก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการไม่กี่วันนะนะค ะ, ะมีนักออกแบบชื่อกล้องระดับโลกเลยเพราะว่าเขาออกแบบให้กับ มาดอนน่าบ้างนางแบบดังๆระดับโลกเอ่ยชื่อมาดาราระดับดังระดับโลกทั้งนั้นเขาผูกคอตายค่ะทีนี้ก็มีคนบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นศิลปินเป็นนักออกแบบที่ยิ่งใหญ่สําหรับยุคปัจจุบันนี้เลยเพราะเขาเกิดในครอบครัวที่ร้านแค้นทว่าจะเข้าใจทั้งแฟชั่นในระดับนั้นนะคะจนกระทั่งเรื่อยมาถึงระดับแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ นี่น่าจะมาเข้าใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมาดับที่ใจใช่ไหมคะใช่ดับที่ที่ตรงที่ปัญหานั่นละเกิดปัญหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ตรงนั้นแหละที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาควบคุมมากำกับไม่ให้เปิดทางให้ปัญหาเกิดอืมอืมอืะดับตัญหาก็คือต้องดับที่อุปาทานจะดับอุปาทานได้ก็จะต้อง อุปทาน ค, คือความยึดถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าใครกาหนัดได้ก็จะต้องเบื่อหน่ายจะเบื่อหน่ายได้ต้องเห็นตามที่เป็นจริงจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ต้องมีสมาธิจะเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีเขาเรียกว่าอานาปนานสติอืมแหมมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดว่ามันมีเหตุมีผลของการละกันอย่างนี้ถ้าหากเราเข้าใจแล้วเราก็ไปพิจารณาปฏิบัติเพื่อเป็นการ ปิดเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลถูกไหมคะตัดเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยการกั้นลมหายใจบ้างอดอาหารบ้างอะไรต่างๆประพฤติเป็นวัวเป็นควายบ้างเงี้ยก็เพราะว่าต้องการจะสลัดปัญหาตรงนี้นั่คิดว่ามันอยู่ที่กายตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องแก้ที่กายแต่สิแต่พอทรงทราบว่ า, า, วามันไม่น่าจะใช่เพราะว่าด้วยนิมิตอะไรต่างๆก็มาแก้ที่ใจดีกว่าเป็นการแก้ที่ถูกธรรมะถูกธรรม พระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทพระวรากายใช้เวลามากมายในการที่จะค้นพบมรรควิธีและพระพุทธองค์ก็ได้นําเอามรรควิธีนี้มาเผยแพร่บอกสอนเพื่อที่หวังว่าพวกเราจะได้ใช้มรรควิธีนี้ให้เกิดประโยชน์ในการหลุดพ้นอย่างนั้นนะคะเราจะเสียโอกาสไปใหญ่ไม่ต้องไปหาหนทางที่เราคิดค้นขึ้นเองแล้วอย่างนั้นไหมคะถูกต้องก็ ศึกษาพุทธวจนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความเพียรมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งก็ไปได้แน่ค่ะจดพ้นได้มีคลายความทุกข์ได้ท่านอาจารย์คะมีคำถามอยู่คำถามเป็นเรื่องโลกโลกนะค ะ, ะถามเกี่ยวกับพระอะคะอบอกว่าพระดูละครน้องนำทำเพลงเนี่ยผิดวินัยไหมเพราะวัดเวลาจัดงานวัดนี่ พระก็มีโอกาสที่จะได้ดูสิ่งเหล่านี้ถ้าพระที่อยู่ในวัดนั้นนะคะที่มีการจัดงานวัดเนี่ยจะผิดวินัยกันทั้งวัดหรือเปล่าถ้าดูละครร้องลําทําเพลงเป็นการผิดวินัยค่ ะ, ะเรื่องการดูละครดูการละเล่นต่างๆเนี่ยก็ผิดวินัยอยู่แล้วนะเป็นอาบัติที่เบาแล้วก็การดูการละเล่นเนี่ยเป็นค่าสึกเป็นเส้นหนามต่อการสํารวมอินทรีย์การสํารวมอินทรีย์ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ อ่ามีสมาธิได้มีฮิริโอต ป, ปะมีสมาธิได้เพราะนั้นมันก็จะเป็นค่าศึกเป็นเส้นน้ากันไปประเด็นก็คือว่าถ้าพระเนี่ยท่านไม่ได้ไปดูแต่ว่ามีงานในวัดนะแต่ท่านไม่ได้ไปดูท่านเราไม่สามารถไปปรับขบัติท่านได้เพราะท่านไม่ได้ดูนี่ใช่ไหมเพราะว่าเหตุปัจจัยเรื่องของวัดเนี่ยจะมาเลยพูดยากเพราะบางทีเขามาใช้สถานที่วัดนะอย่างวัดที่ยืนตามในตัวเมืองหรือตามหมู่บ้านเนี่ย เขาจะต้องมาใช้สถานที่วัดเนี่ยก็ก็พูดยากกันกันแหละมันก็ยาก น, นะคะถ้าเกิดสมมติไปขอใช้แล้วไเขาไม่มีสถานที่อื่นเป็นทางเลือกอทางวัดไม่ให้ความร่วมมือก็กลายเป็นว่าต่อไปอย่าทำบุญวัดนี้ดีกว่าก็อาจเป็นไปได้แต่มนก็มีหลายประเภทนะคะท่านที่ทราบก็คือมีคนที่มีอาชีพในการจัดงานนี่ที่เขาไป เสนอผลประโยชน์ให้กับวัดวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ oh. ครึ่งนนเรื่องนี้คงจะต้องไปอภิปรายในที่อื่นกันแล้วกันนะคะ oh. เพราะว่าวัตถุประสงค์ของที่นี่คือจะเปิดทําที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจะนะใช่ใช่เอาเป็นว่าถ้าดูก็ผิดวินยัยถ้าไม่ดูก็ไม่ผิดวินยัยนะคะแล้วก็ไม่ใช่จัดงานที่วัดนั้นพระผิดวินัยกันทั้งวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจเจกแต่ละรูปปฏิบัติอย่างไรนะคะเ ร, เราพึงจะต้องเป็นผู้ที่สำรวมในจิตรู้วาระจิตของตนอย่าไปตำหนิคนอื่น ค่ะควรควายในสิทธิของตนเองจะดีที่สุดค่ะแล้วฆราวาสมีหน้าที่ไงไหมคะว่าเห็นพระฟังเพลงก็เลยไปบอกเนี่ยฟ้องจ้าวาสหรือพระองค์นี้เราเราก็ไม่พึ <c oughs> ง <c oughs> ไม่พึงควรที่ว่าประเมินวัดสอบบุคคลอื่นค่ ะ, ะควรดูว่าสิทธิ์ตัวเองดีที่สุดว่าศีษเราพยาบาทไหมเรามีพยาบาทอันนี้ไม่ดีรีบร้อรีบรักรักษาคนอื่นด้วยการอดทนไ ม, ไม่เด็ดเดียนมีเมตตาจตและใจอินด้วค่ะวันนี้ก็นมาสการขอบพระคุณพระภัยบุญอภิปุณโณนะคะแห่งวัด อขอไปบวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเว้นเอากาสนี้ค่ะในวัส ก, การค่ ะ, ะข้าท่านฟังคะท่านที่ต้องการจะใครครวญศึกษาพุทธวจนะแบบมีคู่มือเป็นเล่มๆ เ, เรากำลังแจกพุทธวจนะอาณาปานสติโดยพระตถาคตที่คณะสิทธิ์ของพระอาจารย์คริสต์โสธิพโลวัดที่พระมารชาเขาวโรอยู่ได้ทมาแจกเนี่ยนะคะให้กับวันละหนึ่งท่าน เป็นหนังสือที่ไม่มีขายที่ไหนเลยค่ะก็ติดต่อเข้ามาที่หมายเลข 02-269-006 สส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ที่ฉันก็อยากจะพูดนะคะเพราะว่าเรื่องของสหกรณ์นั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากกับประเทศเราแล้วการสาหกรณ์ประเทศไทยเนี่ยเกิดมาด้วยพระเจ้ารงเธอองค์เจ้ารัชนีจ่มจันทรกรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือนอมศพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยวันที่26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสากรแห่งชาติเขาก็เชิญชวนให้ร่วมพิธีถวายผ่านพุ่มเพื่อรำลึกถึงพระองค์กันนะคะโดยผู้ที่เชิญมาก็คือนายมงคลัดพุกกนัตประธานสมนิบาสากรแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันค่ะและพบกันใหม่กับรายการสัสนีสนทนาที่ FM106 และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ